Book 2 29 29ที่ร้านอาหาร1นรีสต์รานา1โต๊ะนี้ว่างไหมคะไวชิสเกิลดิงชุดบีฟส์ดิฉันอยากได้รายการอาหารคะ่ะ ตัวเอเดนูคาร์เตลูดูคุณมีอะไรแนะนำไหมคะกุยอุสวาลาตัวเอเต t กดิฉันขอเบียค่ะอ l สลาปราต์วาลาตัวสอลกดิฉันขอน้ำแร่ค่ะอสลาปรวลตัวสมิลูดน ดิฉันขอน้ำส้มค่ะเอส l าบรอดว l เลตั a ส์แอปเปิลซีโดิฉันขอกาแฟค่ะเอสลาบรอดวาเลตัวดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะอกร์กาาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ Ar c u k ุ r u l ū ล z จุดิฉันขอชาค่ะเอ็กซ์แวลูสตยดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะเอ็กซ์แวลูสเตยุอาร n ซตรนดิฉันขอชาใส่นมค่ะเอ็กซ์ลตอารอ คุณมีบุหรี่ไหมคะ v a j u m, ī ī ī, m s ir c i g a r e t a s คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ v a j u m s ir p l n u t r a u k ā? s คุณมีไฟไหมคะ v a j u m s ir š i l t a v a s ดิฉันขาดซ่อมค่ะมัน n v d a k, om, k š i ņ a s ดิฉันขาดมีดค่ะมันนาวนาจดิฉันขาดช้อนค่ะมันนาวการวติส